ถ้าลูกหลานที่รักทั้งหลายตอนนี้เรื่องจุลัยยังไม่จบเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าคำวันอาทิตย์ที่สามสิบสิงหาคมสองพันหรอยสาสิบขอโทษวันที่สิบสิงหาคมสอพันห้ารอยสามสิบเป็นวันหยุดทั้งฝ่ายฆ่าวาดและฝ่ายพระนั่นหมายความพระวันนี้ก็หยุดเที่ยว เพราะเป็นวันสังฆกรรมโนโบสถก็ว่ า, วาก็หยุดทำบาปสร้างความดีคือบุญในเมื่อจุลัยเอาจะโลกพระศุกก็คิดในใจว่าจะไปโลกไหนดีเรีอกกับโลกจมโพดีท่านมองมาทั้งโลกจมพพที่สลาเห็นว่าคุณยา่าคุณยายคุณปู่คุณตาและคุณแม่พุกคนกำลังนั่งเจริญกรรมฐาน บางท่านก็นั่งตรงเจริญกรรมฐ า, านบ้างบางท่านก็นอนภาวนาบ้างบางท่านก็นั่งโยกไปโ ย, ยกมาบ้างบางท่านก็กรนภาวนาบ้างบางท่านก็ละเมอภาวนาบ้างก็ <c oughs> มีความรู้สึกว่ายังไม่เด็กเพราะจุลัยขึ้นมาโลกประสกตั้งแต่เวลาหลังจากหกโมงเย็งมากว่ามองไปก็ยังไม่เด็ก ไฟฟ้าก็จะสว่างคุณแม่ก็จะนั่งคู่กับพระรังเขาจุไรจ ห, หน้าพระพุทธรูปจุไรก็ไปนั่งกับมาถฐานคู่กับคุณแม่ใกล้ใกล้กันท่านนี้พ่ออะไรเราะว่าถือว่าคุณแม่เป็นครูถ้ามีอะไรข้องใจก็ถามคุณแม่ได้คุณแม่ก็ดีแสนดีลูกต้องการรู้อะไรแม่บอกได้ทุกอย่าง ก็รู้ความว่ามามองเห็นก่อแม่ยังไม่เลิกการเจริญกรรมฐ า, านก็เข้าใจว่ายังไม่เด็กถ้ายังยังไม่กลับลงไปเยี่เที่ยวดวงดาวอื่นต่อไปก็คงจะไม่เป็นไรเธอก็มองขึ้นไปวันนี้เวลานี้อยู่ที่ดาวประสขเราจะไปดาวพระเสาดีไหมก็คิดว่าถ้าไปดาวพระเสาก็ต้องย้อนกลับไปอีก ย้อนกลับไปใกล้กับดวงดาวดวงดาวพุธแล้ขึ้นไปทางด้านเหนือเฉียงไปด้านเหนือจึงเจอดาวเสาตรงกับดาวพุธแลก็คิดว่าเรื่องดาวเสาถ้าเราไปดาวเสาก็จะมีหลาดาวที่ใกล้ใกล้กันน่าจะไปแต่ดาวที่มีความข้องใจอยู่ดาวหนึ่ง่นคือนดาวดวงเล็ก ถ้าเห็นจากดาวประสุกก็ถ้าอยู่ที่โลกชมพูมองไปที่ดาวประสุกแล้วเหลยอเข้าไปดาวประสุกเห็นดวงดาวเล็กๆดวงหนึ่งหรือปรีหรปรีไม่โตนักดวงดาวลูกนั้นถ้าดอมมองจากดาวประสุกเขาใสสว่างมากเป็นพิเศษเธอก็สังเกตเห็นน่าร่มใจมันเป็นสุขเว่าดาวดวงนี้น่าจะมีสิ่งที่มีชีวิต ก็ใช่กําลังตาเป็นทิพย์ด้วยใจเป็นทิพย์เห็นว่าสิ่งที่มีชีวิตมีอยู่มากแต่ดาวดวงนี้ไ ก, กลาจากดวงอาทิตย์มากกว่าดาวประสบแต่กายัางอยู่ในเขตแสงของดวงอาทิตย์อีกก็คิดว่าถ้าเราไม่ไปเวลานี้ถ้าเราไม่กลับไปเวลานี้จะไปโดนดาวดวงนั้นคุณแม่ก็ไม่ว่าอะไรคงไม่ดึกนักที่เราจะกลับไปโลกมนุษย์หรืโลกทุ่งโพ ว่าตัดสินใจอย่างนี้และจะนึนถึงบารมีพระองค์สมเด็จพระปฎิทิศแก้วคือพระพุทธเจ้าพระประเจพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเทว ด, ดาและพรทั้งหลายตลอดท่านผู้มีคนคิดว่าดวงดาวดวงนั้นอยู่ที่ไหนขอบารมีพระองค์สมเด็จประจอมไตรเป็นต้นได้โปรดดวงวดาวให้ลูกได้มีโอกาสไปที่ดวงดาวด้นนัหนึ่ง พอตัดสินใจเพียงเท่านั้นเธอก็ลอยเข้าไปใกล้ดวงดาวดวงนั้นทันทีด้วยกำลังก็ะแสจิตลูกรักและลูกหลานทุกคนต้องจะได้ว่าจิตมีสภาพไม่ช้าถ้าคิดจะไปที่ไหนคิดไะไรถึงเมื่อนั้นคราวนี้เธอก็มาลอยอยู่ได้ใกล้ดวงดาวที่มองเห็นเล็กๆแต่เข้ามาใกลจ้จริงๆดวงดาวดวงนี้ก็เหม่เล็ก จะว่าเล็กกว่าดาวพระศุกก็เล็กกว่านิดหน่อยเท่าเท่ากับดาวชมพูทั้งโลกชมพูโลกมนุษย์ตัวนี้ <c oughs> มองไปทีดาวดวงนี้ไม่มีหัวโล้นมันดาวประสุขร์รอบๆดาวมีพืชทนัญญาหารมีมาหาสมุทรกว้างขวางมากมีเกาะมีแก่งความหนาวก็ไม่มากความร้อนก็ไม่มาก <c oughs> ด้านใดที่ถูกราย์ก็มีความร้อนพอสมควรไม่ถึงตะ ว, วันออกกลางเขาโลกถมโพด้านใดที่มีความหนาวก็ไม่หนาวเยือกจนต้อ ง, งเป็นน้าแข็งรวงความวันดาวดวงนี้แปลกกว่าดวงอืน่นแต่ก็มีการหมุนตัวคล้ายๆกับโลกมโถมพูเธอมองไปมองมาก็มีความรู้สึกแปลกใจ <c oughs> วัาดาวดวงนี้ใหญ่ แต่สภาพการต่างๆมันมีความเป็นอยู่ดีมากก็อยากจะดูรอบๆว่าดาวดวงนี้มีอะไรบ้างดูไปอันดับแรกเข้าไปเจอมหาสมุทรใหญ่ <c oughs> น้ำบางจุดน้ำสีเขียวบางจุดน้ำสีข า, ขาวเป็นสีขาวสีใสธรรมดาบางจุดน้ำสีแดงเป็นสีส้มรือก็แปลกใจ คิดในใจว่ามหาสมุทรนี้คงมีแร่ธาตุที่ทำให้น้นต่างสีกันแตกต่างกันแล้ ว, ว่านั่นเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เด็กชั้นปฐมปีที่หนึ่งอย่างเธอจะเข้าไปรู้เรื่องวิทยาศาสตร์เธอไม่สนใจวิชาการวิทยาศาสตร์ใม่เขินสนใจก็สนใจไม่ได้เพราะไม่มีความรู้ มีความรู้มีความสามารถอย่างเดียวคือความรู้ทของพระพุทธเจ้าที่แม่สอนได้เป็นความรู้ที่ไม่มากพอช่วยตัวเองได้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็มองไปในโลกนี้ดูสิ่งที่มีความสำคัญรตดับแรกธรรมดาผู้หญิงผู้หญิงไม่ได้เป็นตัวเล็กก่ตามตัวใหญ่ก็ตาม สิ่งที่สะดุดใจมากที่สุดก็คือเครื่องประดับ <c oughs> เธอมองไปใกล้ถ้าไปใกล้พื้นดินลงความวาสูงจากพื้นดินไม่เกินหมือนฟิตลอยดู ร, บรอบๆเพื่อความสะดวกเป็นหนัดเธอก็เห็นชัดว่าในลานนั่งเล่นในสวนสาธาระต่างๆก็ดีข้างถนนก็ดี หน้าบริเวณบ้านก็ดีรู้สึกว่าม้านั่งของเขาที่มีพนักพิงบางตัวมีพนักพิงบ้างบางตัวม้านั่งไม่มีพนักพิงบ้างบางตัวก็เป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมบ้างบางตัวเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าบ้างกลมความม้านั่งทั้งหมดในประเทศนั้นๆทั้งหมดกลมความว่าดูไปรอบๆ แข เ, เขตประเทศมีประเทศนี้มีทหารประเทศนี้มีตำรวจประเทศที่มีการยืนยามประเทศมีการอาสษาการมองดูแลประเทศนี้มีกองทัพประเทศนี้มีสัลาว่าการต่างๆเธอก็แน่ใจว่าประเทศนี้ต้องมีเครื่องมือรบ ต้องมีการรู้จักเวียนเวียนซึ่งกันและกันพอสมควรที่ว่าพอสมควรเพราะว่ากองทหารดูไม่โตนะักกําลังกองทัพที่ตั้งต่างๆไม่โตถ้าจะเทียบกับประเทศไทยตัวใหญ่ก็ขนาดกรมไม่ใช่ขนาดกองทัพทหารยามในที่ต่างๆก็มีเฉพาะจุดที่มีความสําคัญมีทรัพย์สินมากๆตำรวจก็มีไม่มาก มองบริเขตต่บนหนึ่งและสองตะบนจะมีตลรวจไม่เกินสามคนนั่งอยู่เป็นจุกจกุบางรายก็เดินไปเดินมาอาวุธตกายของตำรมดเหนือนมีกระบองบ้างว่องสั้นๆติดเอวบางรายก็มีเป็นดาบปลายปืนแต่ปืนจริงๆตำรวจไม่เห็นมี <c oughs> ถ้าคิดริทีโลกนี้ ถ้าว่าจะมีการทะเลาะวิวาดกันก็คงมีการไม่รุนแรงถ้าว่าจะนั่นตำรวจต้องใช้ปืนอย่างโลกมนุษย์ตำรดมีปืนยังไม่ไหวดีไม่ดีพู้ร้ายมีปืนสงคัญกว่าร่วมความตำรวจมีปืนเฉพาะที่ตางได้การจัดให้ผู้ลาจัดผู้ร้ายจัดอ า, าวุธได้ตามความชอบใจของตัว เรื่องความโลกมนุษย์มีความร้ายกาจมากกว่าโลกมีมากความจริงวโลกนี้ก็เป็นโลกมนษุษ ย, ย์ <c oughs> เหมือนกันเท่ก็ดูต่อไปที่ถนนน้นทางถนนทางสวยคล้ายโลกระสขเหมือนกับโลกระสขมีการติดต่อกันระหว่างประเทศในเขตของประเทศมีต่านแต่ด่านของเขาก็รู้สึกไม่เคร่งเครียดนะัก ข้างไปแล้วก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่มานับคนแล้วก็มีคนส่งบัตรให้เจ้าที่รับบัตรเอาไปบันทึกแล้วก็ส่งกลับการบันทึกของเขาก็ไม่ได้เขียนถ้ามองไปที่แรกแรกสนามบินในประเทศอเมริกาเขาแยกแค่กระไปตานี้โผลตอนน้องก็ใช้ได้เลยเข้าใจว่าโลกนี้วิทยาศาสตร์ต้องจเจริญมาก เธอก็มองดูต่อไปว่าโลกนี้ตอนปลายสุดจะมีความหมายอย่างไงหนาวมากไหมรูปเวลาจริงๆสัตว์ขนไม่ยาวเหมืนโลกประสย์คล้ายๆกับโลกมนุษย์แต่จุดที่เป็นน้ําแข็งปลายโลกไม่มีโลกทั้งโลกไม่มีแหล่งที่เป็นน้ําแข็งเลยในโลกนี้ถ้าอยากินน้ําแข็งต้องกินน้ําแข็งจากโลก จะไปทุกต้องแข็งแจกหาสมุดมากินไม่ได้แล้วโลกมนุษย์เรามีน้ำแข็งที่หม า, หาสะหมดปลายโลกตั้นเหนือก็ไม่ทราบว่ามีใครเทุมากินนัำเปล่าในเมื่อเธอเที่ยวไปตลอดสิ่งที่แปลกใจคือแปลวาเปล่าก็มาหินเป็นที่สะดุดใจมากจึงได้ลงไปที่พื้นดินในที่แหงน่ง ในที่แห่งนี้รู้สึกว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญมากมีโรงงานเยอะและก็มีคนโรงงานสำคัญมีบุคคลฝากไฟคาว่าฝากไฟแะ่ก็ไม่เกินคนเท่าประเทศไทยคนมากกว่าทุกจุดแต่จุดนี้ก็ไป ม, มีแอร์อัดจากประเทศไทยไม่เหมือนในกรุงเทพ <c oughs> เส้นทางเขาโปร ที่อยู่ดีคนนั่งรถตั้งเรือก็โปร่งโปด่งได้ส บ, บายๆมาดูเครื่องแต่งกายของคนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะหาแหวนทองคำประดับสักวงหนึ่งก็ไม่มีจะมีสร้อยสักเส้นหนึ่งก็ไม่มีเพชรนินยินดาไม่มีติดตัวเธอก็เลยสงสัยว่าประเทศนี้คงมีนักจีนนักตนมาก คนจะไม่กล้าเครื่องเพชร ม, ม, มาติดตัวติดตัวถ้ตท้องคำมาติดตัวก็วดีไม่ดีก็จะถูกกี้ถูกล่มถูกฆ่าตายก็ได้แต่คิดไปแล้วก็แปลกใจอีกที่ตำรวจนานๆจะเห็นสักคนคิดว่าถ้ามีนักจีนนักกล่นมากต้องเห็นตารวจมากๆนี่ก็ไม่มีในที่สุดเธอแปลกใจอย่างนี้ก็ลงไปที่พื้นดิน ไปที่มาหินแพรพลาเป็นยับมานั่งทุกตัวแพรพลาเหมือนกันตัวอาหารทุกตัวแรวพรพราเหมือนกันตั้งแต่ที่ตั้งจากขึ้นดินมาก็มีแต่แพรพลาเป็นแก้วก็คิดในใจว่าเขาคงเอาแก้วมาทำโต๊ะเอาแก้วมาทําม้านั่งแล้วแก้วมาประดับหินไปดูแล้วจริงๆบ่ตัวเออใจหายว่า ที่ใจหายไม่ใช่อะไรถ้าเป็นประเทศไทยรัวกันตายไม่กล้า ว, วางไว้นั่นคือเพชรขาเพชรมาติดไม้หินอาเพชรมาติดโตมันเพชรจริงๆริมองดู ว, ว่าแปลว่ามองดูทีมันเพชรอย่างดีหรเพชรรัสเสียเพราะว่าในประเทศไทยก็ดี ประเทศเอื่นก็ดีก็บอกวเวลานี้เปรตรัเสเซียสวยกว่าเปรตธรรมดามองไปแล้วก็รู้สึกว่าใสากว่าเปรตรัเสเซียมีน้ำลึกกว่ามีประกายสูงขึ้นมองเข้าไปลึกๆเหนือนแสงลุ่งก็ เ, เข้าใจว่าไม่ใช่เชรรัเสเซียแน่ลึกในใจว่าเราจะปรึกษาคใครนะเวลานี้ถ้าแม่มาด้วยจะได้ปรึกษาแม่ แม่จะได้บอกว่ามันเพชรจริงหรือเพชรปลอมพอนึกว่าถ้าแม่มาด้วยเจตปริศาแม่เพียงเท่านั้นก็ปลายกดได้ยินเสียงคุณแม่บอกดูลไยลูกรักแม่มาแล้วจ้ะยูลายได้ินเสียงมองเห็นแม่ก็ตกใจถามว่าคุณแม่มาเมื่อไรเจ้าค่ะแม่ก็ตอบว่ามาแม่มาพร้อมๆกับลูกที่ลูกไปเที่ยวดาวพระศุกแม่ก็ไปด้วยแม่อยู่ข้างหลัง โลกมาดาดาวนี้ลูกรู้จักไหมว่าดาวอะไรโยไรก็บอกว่าไม่รู้จักแม่บอกว่าอันนี้เขาเรียกดาวจามอนตโยไรถามว่าจามอนแปลว่าอะไรแม่ก็ตอบว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันจํำชื่อไว้แล้วกันว่าเขาเรียกว่าดาวจามอนทพาบว่าจามอนนี่ไม่แน่ว่าจะเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็ไม่ใช่อาจจะเป็นภาษาของเขา แล้วระท่านนักวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่ตามใจนักวิทยาศาสตร์เราเข้าใจถึงว่าโลกจามอนก็แล้วกันเท่านดาวจามอนเท่าไรถามว่าความร้อนก็ดีความหนาวก็ดีไม่เหมือนกับโลกอืน่นแม่ก็เพราะว่าดาวดวงนี้อยู่ไกลพระอาทิตย์มากแต่ว่าอยู่ในเขตสองแสงพระอาทิตย์ <c oughs> จะได้ความร้อนจะไม่มากความหมุนเร็วกว่าโลกถลมโพของเรา ดังนั้นความเย็นก็ไม่มากเกินไปเหมือนกันอยไรยังถามแม่ว่าแก้วี่ปรปดับโต๊ะเขาใช้แก้วหรือใช้เพชรถ้าจะเป็นเพชรเป็นเพชรลัตีโร่เพชรแท้แม่ก็บอกว่าลูกคนจะใช้กำลังใจหลังจงจำไม่ว่าถ้าในไราสงสัยให้นึกถึงพระพุทธเจ้าทันที ถ้า น, นึกถึงอย่างรั้นถ้าถามแล้วแก้วสิ่งทั้งหลายตอนนี้คืออะไรท่านจะบอกทุกท่าก็อดใจนิดหนึ่งนึกถึงว่าเจ้าก็เกิดความรู้สึกว่าแก้วก็ดีและเพชรก็ตามดีนี่เป็นเพชรจริงๆเป็นเพชรน้ำหนึ่งยิ่งกว่าเพชรในมนุษย์โลกมากมีความใสมีประกายสวยกวานมากมีรูงจัดสีสวยและเป็เปาแต่ว่าทําไมคนโลกนี้จะเอเพชรมาประดับหิน เามารองนั่งบ้างรองอาหารกินบ้างน่าแปลกแม่ก็บอกว่าโลกนี้เขามีความสีวิไลมากเห็นว่าเพชรเป็นของไม่มีค่าแต่สิ่งที่มีค่าเหมือนกันทุกโลกนั่นก็คือทองคาทองคำเขาต้องการแต่ชาวโลกนี้เขาไม่ต้องการประดับด้วยทองคเนี่ว่าเอาทองคาไปใช้แลกกันก็แลกกับของ แม่ก็พาจูไรเดินมาคือเดินเหนือผิวดินลอยๆมาถ้าเดินจริงๆมันช้ามาถึงจุดจุดหนึ่งจุดนั้นมีต้นไม้ต้นหนึ่งมีใบคล้าๆใบโพแต่ใ น, นสื่อที่เขาเขียนเขาเขียนว่าต้นจิกจิกจอจานสีกอไก่ต้นจิกแต่ดูใบแล้วไม่เหมือนจิกในโลกชมโพ เป็นจิตของเขาก็แล้วกันต้นใหญ่มีเปลือกขาวคล่นโพแต่ว่ามีทรงสูงกว่าต้นโพตังกลางมีช่วงเปล่าขึ้นไปประมาณห้าสายเป็นเปล่าใหญ่มีใบที่ยอดตั้งกลางไม่ค่อยมีใบมีสาขาแตกสไบยอกด้านเจ็ด้านมีใบหนามากมองแล้วคล้ายชัดใจก็มีความรู้สึกในใจว่า ต้นไม้นสวยเขาเรียกว่าโลจิกที่นั่นก็มีไม้หินเธอกับแม่เขานั่งลงพื้นไม้หินข้างหน้าของเธอเป็นโรงงานที่มีความสําคัญเขาเขียนว่าโรงงานปรมาณนเป็นโรงงานวิทยาศาสต ร, ร์ในขณะนั้นเธอมองดูหญิงและชายที่เดินออกมาจากโรงงานบ้างมาจากที่ทําการต่างๆบ้าง ก็มีความรู้สึกว่าคนทุกคนไม่มีแม่แต่แหวงขั้นดัตเหมือนกันหมดตามที่เห็นก่อนไม่ผิดแต่ว่าสิ่งที่มีติดตัวก็คือนาฬิกาบางคงก็ใช้นาฬิกาข้อมือบางคงก็ใช้นาฬิกาติดอกเสื้อบางๆคงไม่ใช่นาฬิกาไทยลานบางคล้ายกระดาษแต่มีเลขบอกนาทีวินาทีเสร็จบอชั่วโมงเสร็จต้องเข้าแปลก ที่ติด ก, ก็มือก็บางสายก็เล็กๆไม่ใหญ่ของพวกเราแต่ว่ า, นาวหน้าตัดแพร่หน้าตัดแพร่ๆมีประกายไฟฟ้าเล่ติขึ้นมาแพราวสวยมากกรมความวิทยาศาสตร์ที่นี่เขามีความเจริญมากมองดูแล้วแม่จะบอกว่าอยากดูอะไรข้างในไหมทุกคนก็บอกว่าอยากดู แม่ก็บอกว่าที่เรานั่งอยู่นี่นอกกำแพงเมืองนะคนเดินผ่านประตูมานั่นคือกำแพงเมืองในเขตนั้นมีระบบวิทยาศาสตร์มากเหลือเกินทีนไรเราก็อยากจะเข้าไปเห็นก็เข้าไปในเขตนั้นไปดูอุปรกรณ์วิทยาศาสตร์เครื่องใช้วิทยาศาสตร์ต่างๆก็ทาํทาสวยสดสดงามมากวความเาครื่องจักรกลต่างๆมีผิดแผกแต่กัโลกน้อเยอะ เขสีวีไลมากมายไปดูรถที่เขาขึ้นกันเห็นรถไม่มีสายไฟฟ้าโยแต่ก็ไม่มีเครื่องมากรถคันใหญ่ๆมีเครื่องปลกลุกนิดเดียวขับเคลื่อนได้รวดเร็วที่ก็แปลกใจเมืถามแม่ว่านี่เขาทำด้วยอะไรแม่ดอกบอกว่าเครื่องยนต์ต่างเขาใช้รังสีขับเคลื่อน เขาไม่ใช่จักกลกับเขึ้นอย่างของเราแม่ก็พาดูยานพานะอันหนึ่งตุ้ม ย, ยานพานะเป็นลายกว้างมากเป็นพิเศษยานพานะมีหลายรูปแบบรูปแบบหนึ่งมีสภาพเหมือนจานซ้อนจานจานข้างบนมีสภาพเหมือนหมุนได้แค่ปิดหมุนมีเหลือบมีเหลือบลมและจะมีท่อเบื้องหลัง มีท่อดูดเ้างหน้ามีท่อพ่นออกเบื้องหลังเธอมองแล้วก็แปลกใจถามแม่ว่า น, นี่อะไรแม่บอกว่าที่เขาเรียกว่าจานบินแล้วไปดูยานภายด้หนึ่งมีทูปร่างคล้ายเรือในทะเลแล้วด้านล่างมีเท่าที่วางคล้ายเครงหอไม่มีล้อลงปั๊บจู่ปุ๊บตรงนั้นไมต่ต้องวิ่งไปเธอก็ถ า, ถามแม่ว่านี่อะไรแม่ก็บอกว่านี่เป็นยานอาวกาศเหมือนกัน แต่รูปร่างใหญ่มากพีที่หลับที่นอนสบายบางหรือบางลูกก็มีสภาพคล้ายเครื่องบินแต่ก็ไม่มีพัดจะว่ามีไอพ่อนอย่างเครื่องเจ็กล่าวก็ไม่เหมือนกันสภาพต่างๆเขาเล็กหมดเครื่องเขาแต่ตัวใหญ่แต่ลดเครื่องไปดูมีความสุขมีความสบายมากเมื่อเข้าไปในที่นั้นก็มาเข้าดูจานบิน ยานบินก็มีที่นั่งหลับที่นอนที่กินที่ที่ถ่ายจะรับปัะสสะาวะพบทุนบริบูรณ์ที่นั่งที่ไหนนั่งได้นอนได้เดินเล่นได้สบายๆกว้างขวางมากดวงความโลกนี้มีความสีบีไหลมากขณะที่เดินท่องเที่ยวไปในยานใดต่างๆชงความงามของยานชองอุปกรณ์เครื่องใช้ก็เจ๋อชายคนหนึ่ง ชายคนนี้ถ้าทีเป็นนักวิทยาศาตร์มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์าารตริดมือมาแล้วมีลูกน้องหิวของกระเป๋าเล็กๆ <c oughs> กระเป๋าเล็กๆเป็นระบบจรวจต่างๆเดินมาด้วยเมื่อเขาว่าเจอสองแมลกูกเขาก็ตกใจเขาถามว่าเธอเข้ามาได้ยังไงในที่นี้ประตูก็ปิดลงกลอนใส่กุญแจแน่นหนามากแม้แต่หนูก็เข้ามาไม่ได้เธอเป็นคนเข้ามาได้ยังไง ทั้งสองแม่ลูกก็ตอบว่าฉันเป็นโลกชาวโลกชมพูสิ่งต่างๆที่ปิดบังไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์กับชาวโลกชมพูชาวโลกชมพูแต่อยากจะเข้าไปที่ไหนไปได้ทุกแห่งก็บอกว่าที่นี่มีรังสีมากดูแต่ฉันสิฉันมานี่ยังต้องมีก้อนประเภทนี้ตัวมาเขามีแท่งเหล็กแกละแท่งหนึ่งโตประมาณกว้างหนึ่งนิ้วพุทธยาวสองนิ้วพุทธ เขอยคอติดมาทั้งสองคนในสภาพเหมือนกันเขาตอบว่าแร่ประเภทนี้เป็นแร่วิทยาศาสตร์ผสมแล้วสาธารังสีเข้ามาทั้งตัวแร่นี้จะผลักออกไปไม่จะดูเข้ามาจะไม่มีอันตรายต่อชีวิตแต่เธอสองคนเข้ามาที่นี่ไม่มีแร่ทําไมจะไม่มีอันตรายแม่ของเธอเลรก็ตอบว่าฉันกับลูกเป็นชาวพุทธศาสนา และเมื่อพระพุทธเจ้าททุกสิ่งทุกอย่างเขาทำอันตรายไม่ได้เขาถามว่ามาได้ยังไงเขาถามว่าโลกที่เธออยู่ไหนทั้งแม่ลกกูกอาชีพดูได้ตอนนั้นโลกของเราเกือบจะมองไม่เห็นเล็กปีมากเหลือเกินเล็กมากมีแสงสว่างน้อยกว่าโลกเล็กๆที่เราเห็นดยืนในเวลานี้เรามองไปเวลานี้จะโลกเราเห็นโลกนี้เล็กยิบเล็กปีถ้ามองจากโลกนั้นมาดูโลกมนุษย์ก็เล็กปีมากกว่านั้น แล้วทั้งสองก็ตอบว่าเหาะมาเขาถามาการเหาะใช้ระบบวิทยาศาสตร์แบบไหนที่มาได้ตั่วเปล่าๆทั้งสองแม่ลูกก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสน์ไม่ใช่วิไม่ใช่วิทยาศาสตร์เป็นหลักสูตพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนพอฟังคำพระุเจ้าเขาก็แปลกใจแม่กระถามว่ายานภาณะมีอาวุธมีไหมเขาก็ตอบว่ามี เวลาเหลือหนึ่งนาที ก, กว่าลูกรักพอรักความก็ไปดูอาวุธอาวุธขงเขาแปลกใช้รังสีใช้แสงพ่นไปเล็กก้อน ใ, นใหญ่ถูกแฟกเดินหลายทันทีเขาบอกอาวุธประเภทนี้มีไว้ป้องกันโลกสูตูตวันออกว่ามีความแบนตะพานมาก <c oughs> ชอบรังแกมนุษย์ชอบรังแกสัตว์ชอบรังแกย า, ยานพานะในโลกจำโพฉันก็เคยไปเที่ยวโลกจมโพ เขาชื่อมาที่โลกชมพูก็บอกว่าจากที่นั่นมาโลกชมพูเขาใช้เวลาสิบชั่วโมงของประเทศไทยจะรู้เวลาของไทยรู้เวลาในโลกนี้เขาใช้เวลาสิบชั่วโมงมาถึงมาสิบชั่วโมงกลับสิบชั่วโมงเป็นนี้ว่าลูกหลานที่รักทุกคนเวลามันหมดก็ของวัตถุเทพเท่านี้เขาเขาถูอว่าแม่แลูกทั้งสองต่างคนต่างพางกับโลกชมพู ก็มานมัสเวลาพอดีขอความสุขสวัสดิีพัฒนามงคลสมบูรณ์บนผลจงมีแต่ลูกหลักหลานลักทุกคนสวัสดี